ผัดไทยผัดลายเลยอาตมาพาพวกทีเล ย, ตยไต่งไทยใช่ไหมเลยห้า 5, ตัางห้าตังติ้งยังดีบอกเราอวไปจำดูนะและว้วเกลุ่มกนคนเดียวอ่ะผัดคนเดียวก็กผัดงวยุ่งไอ้ชะ ต, ตังีอยู่ในจานตังมีลอ่ะวัยเดกลุ่มเถอแล้าก็พัดะตังกลุ่มกมนละนี่ไอตวนี้ตังลน ะ, เ ท, ะ เ, เ, เ, เทียาวแบบเออตไปได้เอไม่ให้ข้าผัดเสี่ยวผู้เสียวไม่ไห้นะหน่ลก็มีไอ้ตังอูใครใก็ต้องมอีพวกอาตมาที่พวกมาก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 เขาทำน้ำอ่อนงดกันท เ, เที่ยเทา่ยอินมากมายน้ำอ่อนอยู่ในถอแบกบเลยตัดแบกเจ้ของว่าไปสร้างแบาเนี่ยสร้างความดีอย่างนี้อำนาจต่อมาอมนาจต่อมามัธยมสองจะขึ้นมัมสามสร้างความดีแทขึืนอีกระุงคนหนึ่งลสร้างตอมเให้บาสัางอไหมบอกลุงจะไปทำอะไรจะไปแก้แ ย, ย่าเนี่ลุงขนาดนี้ยังไง ขนาดนี paid, so the ้ล so hey, ุงขนาดโน้นแต่เราสนายตัวยหญ่ๆแต่ไม่ยิ่งมาญ่นะไม่ย้นหนึ่งสองที่เป็นนมเลยนะม่ย้นย้อนสองที่เตนนมเลยนะลแต่โตสนาดว่าจะแก้าอาบน้ำเตมที่สไม่ได้รู้อนเลยมันอยอยู่มั้งนี่ทีนี้รับต่างต้มเตาบาตรุ่งต้มยังไงเตาเขาซื้อจากพวกยวนมาชือแทงตากายตู้เท่านี้นะวลาเขาบอกว่าเออต้นทั้งเต็ม บางวิธีต้นทำงานเอาแม่่มาตั้งใส่ในสมัยนั่นแม่โรบินีนไม่มีมันมีแม่มาดินไอที่เขาเรียกว่าหมอดินต้มลายตามหลังบ้านก็ไปลักของเขาแล้วต้ไม่บ้านก็เดี๋ยวพ่อแม่เขาจะว่าอาตมาก็ตัดนะตั้งใสน้าเดือดแลมาไอหมาดินมันมีสาก็มาไอหมอดักเขียวไอหมอเขียวอ่ะไอหมอเุ๋ยยิ้วอ่ะสมัยเก่าๆอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยก็ไปลักหมอกเขียวเข้ามาสามัน พอน้าเดือดพ่าดนะทังหลายเอ๋ยตมาก็เทเต่าเทเต่าลงไปแล้วหมกเยือกสาเยือกติเต่าดีมากสามัาทีดีกับคนน้นเชื่อจะวิ่งมากแตกไปเลยแล้วก็วิ่งข้ากรบเพราไปหมดวิ่งข้ากระเพราไปหมดในเมื่กไปชิมแล้วเต่าไม่ตายตมาดูใจเต่าใ้แข็งมากขลอกกอกตัวหมดเลยเหยื่อหูไอ้พุกมันตะกุยน้าตาื่วงวิ่งข้ากระเพก็มาตามจะจับ มาเวทนาเลยก็ไม่ตามปล่อยมาตามยาใสงั้งมาไปที่นี่ตาลุงเขาก็หนาะตายสียทุกวันวอกจุกอะไร ม, มีมอเมตตาเขาแล้วมมตตาเขาเร็วงไหนทุณบอกว่าเอ า, เอาตามค์คืนมาบอกมูลกะชาติผมลงทุนไปแนะ้วย ม, มอเมตตาหมดถ้าอย่างนั้นเธอจะต้องไปเอาระพินมาแก้หลักอาจามาก็ต่างไปบัานาสายรัประทินที่ก็ตากไว้หนอกชาญเอามาเป็นการหัดทนเนต่าต เมี่ยการรักของเขาในเวลาตามต่อมายรงเรียนติดภาพเพิ่มติดัยอยู่มัธยม3เนี่ยรักขึ้นมัธยม4มีคนใหญ่คนหนึ่งประถมศึกษางวัด้าพรมนครตรงนี้เองชือครูทัวเป็นครูใหญ่คือครูทัวตอนนี้ตายตไปหมดแล้ว <c> ก <oughs> ็บอกว่านี่เธอมาช่วยฉันยิงปืนเอาเปืนไปยิงนกอะมาช่วยน่ย เลยอาตมาก็หานโยบายบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะไปกวดวิชากาับครูครั้งแลวต้องเอาเสือ้อเอาหมอนไปด้วยเอาไปหมดแล้วก็มาก็หายทางไปลอยนึงก็จะไปนั่นงพอมาเาถอะพ่อเถอะก็วิ่งเขวี้ยงเอาปืนดันจ่ายห้านัดแต่ในห่อเสื้อนุวนมัดทันทีอยู่ในปืนแบบบอกเอาในาต่างหบอกหมอนเสือ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 ไปยิงนกอาตมายิงปืนมางยิงนกแ ต, ต่มนน้ำยิงไปหน้าไม่ถูกมันแถบหมดยิงจนมีอวิทยยิงยให้วิทยุใหม่พวกครูทั่วคือตะเพาตะตุในท้ายแดงในท้ายเารือนินลังกาประนี้อยู่เรือคันดินแล้วมาอยู่ไปในท้ายเรือนินลกาในท้ายอันดับหนึ่งคือตะตุตะเพาก็หนึ่ง แล้วก็คูทั่วเป็นครูใหญ่วละแจ้งผลละครถามดูได้มีที่สุดก็ตายด้กักนอาตมาปเป็นเด็กก็เอาอยกตั๋วคัมแพร์อาวุธอานลอยลคองไปในน้เอาพวกปอดพื้นนี่เราฉลาจากคนแก่คนเฒ่าเาขาจึงได้มิยมไหลไประดับหนึ่งวิชาอื่น้องหลาทั้งนี้พอนาะเห็นนกเป็ดแล้วระยะใกลพอจะยิงถึงย่ายิงอย่ายิ ง, ยายงหนูตามมาเนานะเพื่อจะทําตามดี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 โปงโป้งห้านัดยิ้หมดเลยดากระจายห้านัดนกตกเป็นล่องตกเป็น่องเนี่ยไอ้ามั่งขาหักมั่ ง, าางอะไรฉน ง, งนีไปไม่ได้ตายคาที่แบบก็หล่นมาอาัตมาก็ปืนลั่แล้วพวกน้องก็รีบลงนองเอาใส่ตะเ้องก็มีะเ็อัตมาขึ้หนึ่งสนุกดอหักคอเลยหักคอใส่ตะเ้องหักคอใส่ตะเ้องหักอใสะเคงนะนเวลาการต่อมา งอกนินจติคอหกนังเลยหกนังหัวไเลยตั้าเป็ น, ป น, ป น, น, นแล้วหักคอหกนังด้วยนะหักค อ, อ, อ, อจกระเนเวล า, านานงเรียนติดเชื้อพอเหลือสามวันจะเปิดเทิญถิ่นท้าก็มาเตรียมหนังสือเตรียไปเรียนหนังสือมายมสืส่อแตกเลยก็กลับบา้านในเวลาอ น, นั้นในเวลาตามต่อมา <c oughs> ยังไม่ทราบวุ่นบาปเป็นไปตามใดอตาตมาก็าสรุปผลงานจากการทำบา ของเราเริ่มต้นเดียวเอากับข้าไปถวายพระแล้วโยยายบอกเป็นเปรตต่สลุกถิมอันดับสองต้นเต่า อ, อันดับสามโกงข้าหวเจ้าอันดับสีไปข้างบ้านเขาพัตไปที่อันพุวินอันดับห้าก็ฆ่านกโดยหักคออันดับหกดึงนกภาษาไปหักที่ลําจัสุ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 น้ำตาไหลบึนมปับปรับปรับปบปัปับหน้าเวทนางีดแล้วเศร้าใจรึเปลตายขาดทุนหากขามันงเือแล้วก็เอากระเท้ากระเทือหัวมันโดยยถธนีนกกระสาสถึงจความตายยิ่งใหญ่คานั่นเองอันนี้อันดับหกในลาตามต่อมาอาตอมาก็ามาบวชในกระาสน า, ศาตั้งใจว่บวกระสาเดียวเท่านั้นเพระวิชาเรามีเยอะ เรียนถนนตูดดดด้ดีตู้ตู้ตายเพื่อนทุงเราที่คู่ใจคือด็อกรทิศมากสวัสดิ์บัดนี้มองเทียนไปขึ้นแล้วตายเราเคยไปอยู่บ้านหลวงประดิษภัยเลาะซิมตะบะลิงตาสอนซิมตะบะลิงว่ามาเคยไปกินข้าวมาหลวงประดิษภัยเลาะแ ล, แลหลวงพาลาผู้ลิงนั่งางให้ราชการที่หกเลนโขนเป็นคุณหลวงและตีละนาดเอกให้รัชการหกเล่นโขน ดูที่บางแหวกัางคนบุริยุตอตมาก็ไปอยู่บางนี้เป่นเดกันแต่จึงค่าอของเ้าอันนี้อดเช่นกันลูกหลวงกระดิบไพระทั้งเป็นนกเตร์อีกมากมายหลานศิลปะไปเลยเป็นดองกับหลวงปราบอังวะผู้พยาปราบอังวะสู้เป็นนายเรือน อ, อยนาวานวาทุกผู้นาเรือของยุรปยิงเรือฝ ร, รั่งเศส่้มที่ตาพนะ คุณแม่เป็นหลวงป่าบอังละแต่ว่าคุณแม่ของเขาคือรองหลวงประดิษฐ์อัล้วก็เพิ่งขึ้นชีวิตไปแต่ตอนนี้อานุ61ปีอายุตาย102ปีอยู่ขึ้นชีวิตไปแล้วอยู่หน้าอู่อทหารเมือกรุงเที่นี่เป็นโฉนดการเดี๋ยวจะเล่าตามต่อทีหลังในเวลาตามต่อมาประมาบวชแล้วตอมาคิด่าบุบาปจะมีจ่าแบบันมาต่มาบวชวันนี้ทุ ได้ก็ถงอ่าสุดถือล้วประหลาดดัขึ้่นนี่เธอถ้าจะสึกตั้งนมโมเป็นไหมตั้งโนมโมเป็นเขาสึกต่ข้อหนึ่งข้อสองุณธกุลได้ยงถ้าไม่ซึ่นตารมีคุณธรรมของพุทกุณแล้วไม่ควนสุดอาตมาพี่หมวกคุณใจเลยก็เดินทางต่อไปไม่รู้จะไปทีไหนบอกเลวงทางว่าใจไม่ดีต้องไปสึตการดูจบเลยก็ไปอยู่กับหลวงพ่อเดิมวัดหนองูก็คุณดว่าธรรมขันธ์มพนธรรมุลมีพัสุลคุณที่เราได้ละล่ำนิว่หลวงพ่อเดิม อู่ก็ท่านหกเดือนเต้มแต่ไปเรียนวิชาเรียนทางน่ะดูว่านใจใจท่านก็ให้วิชาเรียนทางต่อข้างตาตกน้ำมันบอกเธออย่ายืนเธอาจ้องหงังอย่าอวดรูอวดดีนะผู้ใหญ่ให้จะมีไงรู้ไว้ไชว่าไช่าแบบถามเ่อมีโอกาสจะใช่เหมือนผู้ใหญ่ให้ชื่อไปหลายตัวตัวไหนไม่ใช่ทัไปก่อนบางมีโอกาสจะจาเป็นจะต้องใช้งานนั้นก็เอาชื่อเราาเป็นอะไรเต็มยจังนี่จำไว้้นใจด้ยเกิดึ้นใจ ผู้าหญ่ให้ยาจม่องรู้มานชัยวัดย่างไทงงาาบาแบบถามมี่หลวงพ่อเดิมคือพระคุณบีวาทธรรมขันมีอายุเหยียบย่างร้อยห้าปีเมื่อละพอ่อที่วัดนะน้องโพนครุฑอันนี้ในความาอัตมาก็สื่นใจก็ศึกษาวิาปัสนามาตามัดเดินทางผุดดงตามหลวง็รลีไปและหลายวัดหลายวาถึงหลวงค่ออุดรไปตามดัดอันนี้ขอไม่หล่ขอลายอย่างโปรดองตามตามเวนการตามสนอต่อไป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 คามหน่มวุนายความวัวเป็นทันหงายความวายเขามายุ่งทงานุ่มเพ่แล้วเราก็ะจับไปน้อยเนื้อตันใจว่าทำดีไม่ดีมืนมงมีกันบ้างถ้าทำหลายใจสไม่ได้ลงมือทกิจกรรมไม่ไดต้องมีมันถ้าชแล้วจยไปน้อยเนื้อตันใจผู้ใหญ่มองไม่เห็น้เราก็จะเสียใจว่าทำงานถ้าโดนจะตายไม่มองเราหรือไม่มองเราหรือนีุ่ดนี้เป็นจุดสำคัญงั้นถึงได้ความดีขึ้นมาในใจขอ o เราเนี่ยเหตุด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 อ, อสต้องอยโดนมีตาดวงฟงทุบมากมาเลอวเกินไม่จเจริญเลยอย่างที่ทรานอ า, าจารย์่าแล้วว่านี่ที่ไปชุมเนี่ยมีเท่าไหร่มีตนน้นมะม่วงคือวัดอันพรันมาแต่เดินที่สมัยกรุงศีอยุธยาและโบทนี้กับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้ระละพระาตุนานประกาศาอัูทนายัางไม่มีพระราะธานที่ถึงความสูมาเหมือนสมัย น, นีย้เป็นาการเตประกาศอังูนารังงวพระราชาที่เราทำายจากถวายเปกุศลเข้านั้นเอ อันนี้ขอกล่าวต่อไปอาตมาก็เริมใช้กลเริ่มใช้ตัาจะเล่าแต่ที่เล่ามาแล้วหกประการนี้อาตมาก็กำลังเจริญสมาธิเทน่ะลืมไปง่ายนี่ที่ทาไปแล้วลืมทั้งหมดไม่มีเลยจำได้ลืมไปง่ายคลางไปเด็กแล้วไปเจ็บข้าต่อก็ลืมไปง่ายก็ไปโกยข้าวในในใ น, ในลานเข้ามาองข้าวรักข้าวสาบเป็มกดแทงตามที่ต้องอุทิศสมุูรไม่ห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 แล้วก็หมอมาชี้บอกที่นี่จะเป็นที่จะะุดรถสามว่ามารถสามไหนก็ไปที่นี่ก็ต้องตกลงวางดีทีก็ไปตามลูกคิโรบรีกลับมาก็บอกลูกเลยตีความฝันอย่างนี้ให้ไปบวชทีไอ้บวชเนนจ้ะไอ้เจ้าเดชเห็นด้วยก็กลับมาเมื่อสมัยนั้นรถไม่มีต้องมาเรือยนเรือปลุ ก, ก, กเดินสิงบุรีชายโยมีเรือยนเมื่อสมัยยังมีเรือแดงเรือเรือสีหมูเรือ เ, เขียว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 บอกหลวงพี่โอหลวงพี่ขนาดนี้คือเหรอแล้วผมนี่จะขนาดไหนตายคืงเป็นบาปเป็นกรรมนะเลยบอกหลวงพี่ผมอยากขอศึข้อาศึกทำไมสึกไปเรียนต่อนี่อยากเรียนถือทันทีนี่เราหนี่คนดีเนี่ยเรียนป่าโรงเรียนหนูจะไม่ะเรียนป่าโรงเรียนไม่เสร็จทักโรงเรียนเมื่อยังเนี่ยนายที่สุดทำยังไงขอสุกแล้วไปเรียนต่อเดี๋ยวนี้เป็นนายทหารเป็นทหารอากาศใจตัวใหญ่ไปโตเป็นยายปปนาวามองนี้เนี่ย นี่ชื่อเห็นนิชัดแล้วอาตามาก็กระซิบเพื่อบอกเหตุผลบอกว่างเงินที่ซื้อภาคไรเท่าบริกราต่างๆไม่เอาสองบ า, บาทให้นี่ไปในเวลาการต่อมาใกล้ใกกันเกิดร้อนใจนั่งสมาธินึกถึงข้าเลยเจ้างเติดบขึ้นเองนี่พระคุณเจ้าไปโกงข้าเลยจา้าตะก้อยนี่ไปใช้นี่เขาเนอะทัตจมิกำติดไปในช้าน้าให้ใชาซสหมบนี่อาตามาวิ่งมาโยนไปตอดหน้าบรรจ ก, ก้อยตะก้อยจะ ย, ยุบปากี้เลย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 ยามเย็ให ม, ม่ถอดดับดูที่จะไปรูปไหนเอาในกาใส่ยากแล้วก็นุ่งสือพกอ่านออกหลังวัดปล่อยเบึนงไปถึงปั้มน้ำมันตลาดปากบาวลถเบาปล่อยเบาเนี้ยจะเลี้ยวขวาเข้าบางงาังกาไปสู่ทางลบุรีบถึงว่ากบิสลาลามพอจะเลี้ยวแวะเปิดเรียกขวาแต่รถเราแลนต้าตาวเปิดเลี้ยวขวาจะเลี้ยว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 อาตมาได้มีโอกาสทาบุญทุกข์เลยต่ออยู่ต่อไปงานนี้ที่เห็นได้ชัดแล้วที่นี่พูดมากหมอประดิษฐ์โรงพยาบาลเลยถึงก็โทรจากทางไกลามาหาผู้อุ้งเงยการบอกย้ายหลวงพ่อสมพูถ้าจะพูดมากฉีดยานอนหลับนะเขาเอายาจะดนอนหลับมาจีดให้กินไม่มีทางหลับโซ่ยาได้เขาบอกไม่งั้นแล้วก็ต้องเอามาใหม่นาะเอามาใหม่ย้ายท่านพูดจะได้หายไวถ้าพูดจะหายช้าอาตมาบอกต้องเรืองอะไรมีปากก็ต้องออพู ด, ด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 เดี๋ยวไปดูโลกได้ที่กุฏี่ยังเก็บโรกแหวนนุสอนันเขาถ่ายไว้เป็นนิสอนเพราะไม่เคยเห็นกันนะนั้นมาเป็น น, น, ปนี้แล้วก็นำไปกรุงเทพหมอประดิษฐ์บอกหลงพ่อจัดการใหม่นะครับหายไวเอเ อ, เอายังไงก็ได้แล้วแต่หมอเราจะมาไปจํจำเลยหมอตะโกงเอาสือกออกสบายมากเมืกก่อครจะเดินกับเปล่าใสไม้เพริรมบห้ากิโลเพริรมบห้ากิโลไม่รู้ความหมายของหมอพอเพิ่มเสร็จแล้วกลับมาถึงซิงิบุรี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 และอาหารทั้งหลายต้องยัดและกินน้ําต้องระบากใจเลือกเกินกระทั่งที่ลุกก็ระบากอยู่แล้วต้องอุ้มอุ้มและเดินได้เพราะมันหนักส่วนอีกห้ากิโลทำนองนี้ไงอันนี้ได้ความมาว่าต้องไปเปรต ด, ดังที่กล่ามาเช่นเดียวกันอันนี้ต่อมาก็หายกลับมาวัดหมอให้สายปลอกคอไม่สายอายเขาแต่สายยาเหมือนผีเดินในตรงเลื้ยไปทั้งหมดเลยไม่ไหวเดี๋ยวนี้จะเป็นบ้าง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 โยมาในนาช่าสร้างหอประชุมใช่นี่ดังที่สัญญาไว้แล้วก็ทำคูกั้นวัดหมดใช่นีหมดเลยทุกอย่างสร้างที่ห้องพักสร้างห้องน้ำช่วงเพิ่มขึ้นอีกสามสิบสี่สิบที่เป็นการใช้นี่ประชาชนต่อไปตอนที่จะทุ่งลากเนี่ยอาตมาก็เวียนขอนออกไปถูกสุนัขเขาตะมูกเลื้อกพุ่งสลกอัตมาก็ปาต้าตจานจางเ ก, กิดมาขกน้ำกร้ากรอกสุนัขรุ่ขึ้นมา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 อยากให้หายปวดในชั bon ่วโมงนี้เอาไหมแต่ต้องเสืถอถลอนเนี่ยก็ควักตาออกเอาไหมถ้าไม่ควักออกมันหายไม่หายกันก็งปวดทรมานเป็นเวลายันเดือนต่อไปโดยแต่สิ้นใจควักหมอควักเลยเดี๋วนั้นแล้วหายปวดเลยแล้วก็ไปซื้อตาปลอมมาใส่เดี๋ยวนี้เชีเห็นทั่ชัดมากหนูตามราจารย์บอกเพื่อนนะอย่าไปฆ่าสาปตัดชีวิตเลยและเป็นความจริงมาทุกอย่าง